คุณผู้ฟังที่ครพคะมาถึงสัปดาห์แรกของอีกหนึ่งเดือนกันแล้วนะคะในรายการสรนสนีสนทนาบอกแล้วแล้วว่าเวลานั้นสําหรับดิฉันนะคะนมากลัวมากที่สุดมันกลืนกินสัพพสิ่งแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปกลัวมันกลืนกินหลอกนะคะระหว่างที่ยังเวลากันอยู่เราก็ใช้เวลากันให้เกิดประโยชน์ให้เกิดกุศลสูงสุดสําหรับท่านที่ฟังรายการธรรมะเนี่ยดิฉันเชื่อว่าเป็นการได้กุศลง่ายที่สุดเลย โดยเฉพาะเมื่อท่านอไปปฏิบัติตามนะคะตอนนี้เราก็ไปพบกับการสนทนาธรรมในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะกับพระพบูลุญอภิปุลโนวัดป şey. ่าอดอนหายโซอุดรธานีค่ะกลาบนมาสักการะท่านคะใช่พานเรื่อ ง, งที่คุณยมติ๋วพูดถึงเวลาใช่ไหมที่คุณกินสรรพสิ่งเนี่ยที่มามี <c oughs> ประเด็นตรงนี้ว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมะเนี่ยนะอย่างธรรมะอย่างสมาธิของเราเนี่ยสมมติเรานั่งสมาธิเนี่ย เราเราอยู่เหนือเวลาคือตรงที่ว่าเวลาในจีบของเราเนี่ยมันถูกสับเปลี่ยนมันถูกดิสทอร์ตไปคือสมมติเรานั่งสมาธิชั่วโมงนึ่งเรารู้สึกเหมือนแค่สิบนาทีอะไรเงี้ยนะเราก็คนที่นั่งสมาธิบ่อยๆนี่ก็จะมีผิวพรรณสดใสอะไรต่างๆตามตามที่ว่าคนที่นั่งสมาธิก็จะเป็นกันอ่ะทีนี้ทีนี้คือประเด็นตรงที่ว่าธรรมะเนี่ยเป็นของที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเวลาทําให้เราหลุดพ้นจากเวลาตรงนี้ได้เนี่ยดีมากๆประเด็นตรงนี้ อ๋อคือในขณะที่พูดว่าเวลากรินกินสรรพสิ่งท่านบอกว่าทำรรมัส่วนทางกันเพราะไม่ถูกจํากัด เ, เลยค่ะใช่แล้วก็มีข้อปฏิบัติที่ทําให้อ่าวิญญาณนั้นอ่ะเวลานั้นอนะ่นนนะดับไปได้นั่นคือมรคนั่นเองค่ะสามารถทําให้เวลาดับไปได้อีกใช่อืมน่าคิดนะครับบางคนฟังแล้วบางทีก็อาจจะยังง ง, ง, งอยู่ต้องไปนั่งคิดต่อไหมคะคิดต่อเองหรือท่านจะขยาย ก็พระเช่าพ <okay. S 2> <c oughs> nope. ูดถ well ึงนิพพานไงนิพพานเนี่ยเป็นสถานที่ที่ไม่มีพระจันทร์ไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีดาวสุกอะไรต่างๆแต่ว่าความมืดก็ไม่ได้มีอยู่เพราะฉะนั้นในในนิพพานเนี่ยไม่มีเวลาแน่นอนนะเวลาที่จะเช้าสายบ่ายเย็นไม่มีแน่นอนเพดัะนั้นก็คือเป็นจุดที่ว่าดับไปหมดแห่งบินอาดับไปหมดแห่งเวลาเวลาก็ไม่มีในนั้นด้วยหนังข้อปฏิบัติที่ให้ถึงตรงนี้ก็คือมักแปดนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกลียดเวลามาก มันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างของฉันอืให้ลองปฏิบททัติธรรมปฏิบัติไปเรื่อยๆจนถึงนิพพานเมื่อไหร่ท่านจะรู้ว่าไม่มีเวลาถูกไหมค ะ, ะใช่เวลาดับไปแล้วก็ขอให้ใครที่ตั้งใจขอให้ประสบสําเร็จตามความขยันขันแข็งพยายามปฏิบัติของท่านละกันค่ะท่าอาจารย์คะพูดถึงมนุษย์เราแข่งกับเวลาเดบันมีโลกกาลังแข่งกีฬากันคือแข่งกีฬาโอลิมปิก ค, ค่ะอ๋อ อคนอาจจะบอกว่าพูดอะไรกับพระสงฆ์ก็อยากจะกล่าวเรียนถามท่านนะ น, นะคะเพราะดิฉันก็คิดว่าทุกคําถามที่ท้าทายเนี่ยก็อยากจะให้นําเอาพุทธธรรมตอบเหมือนกันเช่นตอนนี้กําลังจะกล่าวเรียนถามท่านว่าถ้าพูดถึงกีฬาโอลิมปิกแข่งขันกันอยู่ในขณะนี้นนนะะเนี่ยนะคะ่างพระเนี่ยท่านมีอะไรพูดบ้างคะเอ่อถ้าพูดถึงกีฬาที่เป็นการแข่งขันกันเนี่ยเช่นอะไรที่แบ่งเป็นสองฝ่ายนะไล่ไปเลยตั้งแต่ฟุตบอลบาสเกตบอล ไล่ไปจนถึงเกมหมากรูปหมาอะไรพวกนี้นั่นพระนี่ไปดูไม่ได้ดูเนี่ยไม่ควรดูนี่ผิดศีลเลยแหละว่างั้นดีกว่านะนี่ไม่ต้องพูดถึงไปเล่นไปเล่นไม่ได้แน่นอนเออไปดูนี่ก็ผิดละนะเพราะว่าเป็นลักษณะการดูการเล่นที่เป็นค่าศึกต่อกุศลธรรมนะถ้าจะต้องมีการแบบไปดูการรบหรือแม้แค่ไปดูตรวจพลสวนสนามอย่างเงี้ยอย่างทุทกๆวันที่หธันวาเนี่ยก็จะมีการสวนสนามใช่ไหม อตอมาก็จะไม่ดูนะคือคื อ, องไงเราก็ไม่ได้ดูทีวีอยู่แล้วน ะ, ะก็เรื่องพวกนี้ก็ต้องเลี่ยงไปนะ่ใครบอกค่ะดูไม่ได้เอาก็พระเจ้าบอกไงค่ะเป็นเป็นศีลที่บัญญัติโดยพระพทเจ้าของเราเป็นศีลนะคะใช่นะศีลข้อที่เกี่ยวกับจุลศีลในที่ว่าการละเล่นที่เป็นค่าสึ่งต่อกุณศุลธรรมเนี่ยไม่ได้ เพราะนันดูไม่ได้ถ้าแบ่งเป็นสองฝ่ายใช่ยังไงถ้ามันขึ้นชื่อว่าแข่งกันแข่งเอารางวานหรือไม่เอารางวานก็ถือว่าเป็นสองฝ่า ย, ยแล้วถูกไหมคะเอออย่างเช่นว่าที่จะดูได้อย่างเช่นแข่งฟิสิกส์โอลิมปิกอย่างเงี้ยอันวมาคิดว่าดูได้นะเพราะว่ามันมันไม่ได้แบ่งเป็นสองฝ่ายเลยคุณไปทำข้อสอบอ๋อเหรอคะกแ็แข็งกัน่งแข่งชาติหนึ่ง คือเขาไม่ได้แข่งเป็นตัวๆอย่างนั้นนะนะคือเราทําข้อสอบของเราใช่ไหมค่ะแล้วก็เราก็ส่งคะแนนไปได้คะแนนตอนนี้คุณก็ชนะได้คะแนนแล้วกับคุณก็แพ้ไปอย่างเงี้ยเพราะถ้าจะจับเรื่องธรรมะเข้าท่านให้ความรู้ได้เกี่ยวกับเรื่องของพระไม่ควรดูเพราะศีล อ, อ่าเรื่องของศีลของพระท่นเองพระดูถ่ายทอดเปิดโอลิมปิกได้ไหมคท่านไม่ได้แข่งนะค่ะถ้าเป็นการเล่นการยังไงค่ะ เกณฑในการวัดก็คือการลาเล่นที่เป็นค่าศึกต่อกุศลธรรมทั้งหมดนะค่าศึกต่อกุศลธรรมทั้งหมดเลิกเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันจะดูแล้วมันจะเปิดหูเปิดตาเราแบบแหวะให้ขาดออกแล้วก็ล้วงเข้ามาดึงจิตของเราเอาไปปุ้ยยี่ปุยปยำฉีกกระชากอย่างนี้เราต้องหลีกเลี่ยงไอ้ไอ้พวกลักษณะสิ่งเหล่านี้สมมตินะคะสมมุตินะค ะ, มม ะ, คะดิฉันยังไม่ได้ดูการเปิดกีฬาโอลิมปิกครั้งเนี้ยแต่จินตนาการ การเปิดกีฬาหรือเปิดงานใหญ่ๆทั่วๆไปเขาก็จะมีการสมมุติจุดพลุใหญ่ๆนะคะอะไรที่มันเลือล่อนลอ่อลังการอย่างเงี้ยนะทำให้โหมีคนเหาจะจากฝั่งหนึ่งเอาไฟไปจุดที่บนอะไรล่ะอ่างไฟเขาค่ะกระถางไฟโอลิมปิกนะคะอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่คือจัดว่าเป็นการเล่นที่เป็นค่าสึกต่อกุศลามนะคะก็คือถ้ามันเข้ากันได้กับของที่ไม่กวน อันนี้มันเข้ากันได้กับของที่ไม่ควรเพราะนั้นสิ่งนั้นไม่ควรอะไรคือของที่ไม่ควรของที่ไม่ควรก็เช่นการแลเรื่องที่เป็นค่าศึกษาคุณธรรมทั้งหมดเลยไหนเอายกตัวอย่างต่อยมวยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นบทปัญญชนัดแจ้เจเลยนะที่พระเจ้าบอกว่าห้ามดูต่อยมวยชคมวยห้ามไหนเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเข้ากันได้กับพวกชคมวยไหมไหนถ้าพิจารณาดูดีๆมันก็เข้ากันได้มันเป็นพิธีเปิดของการต่อยมวยอ่ะเพราะฉนั้นก็เข้ากับของที่ไม่ควรเพราะนั้นก็ ก็อย่าไปดูมันไง <laughs> แล้วทีนี้สมมุติถ้าเกิดในการดูเนี่ยเราดูเรามีความรู้สึกว่าโองว่าเตรียมกันมาตั้งไกลขอไปแวบเดียวจุดไฟวาบหนึ่งจุดอยู่ได้ไม่กี่วันตั้งแต่กีฬาเริ่มจนกีฬาจบแล้วก็เลิกร้าง ก, กันไปตุ้งสตาร์งก็เสียสม ม, มุติอย่างเงี้ยนะคิดแบบเชงตรงๆนะคะ ตรงนี้อ่ะตรงนี้ถ้าเราเราเห็นธรรมะแม่นหน่อยหนึ่งนะคือธรรมะหน่อยหนึ่งคือธรรมะมันมีอยู่ทุกที่คุณยมติวธรรมะมีอยู่ทุกที่เลยคุณเห็นใบไม้ร่วงก็เป็นธรรมะคุณเห็นคนด่ากันในทีวีก็เป็นธรรมะอะไรอะไรต่างๆเป็นธรรมะหมดถามว่าแล้วทำไมคุณต้องไปเลือกดูธรรมะจากของการเล่นพวกเนี้ยคือธรรมะเนี่ยเราต้องแยกเป็น2หมวดนะหมวดธรรมกับหมวดวินัยนะคำสองพริเจ้าธรรมะมีอยู่ในทุกที่เลยธรรมะมีอยู่ในทุกที่นะของดีไม่ดีเราเห็นธรรมะได้หมด ทีนี้เรากพูดถึงเรื่องของศีลคือคือข้อปฏิบัติที่เป็นปกติของภิกษุค่ะอ่าเพราะฉะนั้นในข้อปฏิบัติที่เป็นปกติของภิกษุเนี่ยถ้าคุณปกติเราจะไม่ได้ดูนะก็เพแค่นี้เองทีนี้ถ้าคุณไปดูแล้วคุณเห็นธรรมะอันนี้ก็เห็นธรรมะก็เห็นได้ก็ดีแต่ยังไงคุณก็ผิดปกติของคนที่เขาเป็นพระกันถ้าพระไปดูคืออ่าคือปกติพระจะไม่ดูเพราะว่าพระเขารู้ในพระวินัยของพระศาสดา แต่ในกรณีถ้าหากว่าไปดูเข้าดูแล้วไม่ได้ร่าเริงไม่ได้อะกุศลความเจริญแต่ว่ามองเห็นกุศลก็คือเห็นธรรมความไม่เที่ยงความเป็นปรากฏนี้พอไดอ้คือดูยังไงก็ไม่ได้ดูยังไงก็ผิดศีลก็ผิดส<อ>่วนที่เป็นศีลแต่ทีนี้ถ้าคุณจะได้ธรรมะม า, มาอันนี้ก็เป็นส่วนที่คุณจะได้ค่ะงั้นสรุปใหม่นะคะสรุปคือดูไม่ได้ ให้ดไม่คนดูนดต้องต้องเขาเรียกอะไรคะต้องหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงนะคะคต้องไปเชื่อพีอ่คนเขาบอกไม่ดู้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยใครไม่รู้เรื่องเลยคืออย่างสมมติไปเดินไปบินตาบ่าอย่างเงี้ยแลชาบ้านเขาเปิดดูอย่างเงี้ยเรามองเห็นผ่านไปแป๊บหนึง่งเออเราก็ได้ดูแล้วอนะจะว่าตรงนั้นเราจะผิดศีลไหมเราก็ไม่ได้ผิดอะเราก็ไม่ได้ไปดูอะนะอื ค่ะถ้าอย่างนี้พระก็ดูการอภิปรายในสภาไม่ได้สิคะเพราะว่ามีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะคะเขาทําอะไรล่ะเขาทําอะไรกันเขาแข่งกันหรือไม่เขาเขาด่ากันหรือว่าเขาอภิราะเข่ากือว่ามีเกล็ดใช่ไหมคะแต่กระทู้นี้เนี่ยคนนึงสนับสนุนว่าถูกอีกคนนึงบอกว่าไม่ถูกผิดอ๋อ เรื่องของการปกครองบ้านเมืองนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงในความเห็นอาตมานะในความเห็นอนาตมาคือบางคนอาจจะมีความเห็นว่าอันนี้เป็นข่าวคุณดูได้นะเรื่องการเมืองอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ของท่านนั้นๆรูปนั้นๆทีนี้อ <ๆ S 1> การอภิปรายในสภาเนี่ยมนันจะไม่เหมือนการเล่นเกมกีฬาแน่นอน <ๆ S 2> นะ<า>คือมันจะไม่เหมือนการเล่นฟุตบอลหรือว่าการเล่นต่อยมวยหรือแม้ถึงแม้เขาจะต่อยมวยกันในสภาก็มีนงทีนี่ๆๆๆนว่ามันก็จะไม่เหมือนแน่นอนเพราะมันจะไม่ค่อยเข้ากันได้เท่าไหร่กับสิ่งนั้น ถ้าดูดูแล้วมันจะเป็นลักษณะของการปกครองบรหิหารบ้านเมืองมากกว่าถ้าท่านวิเคราะห์ในลักษณะนั้นท่านอากาศจะดูได้ค่ะทีนี้อยากจะกลับไนถามท่านว่าในสมัยพุทธกาลมีการแข่งกีฬาอะไรกันบ้างคะโอ้มีนะมีหมดเลยนะที่ที่บัญญัติมาทั้งหมดเนี่ยมีหมดเลยนะตั้งแต่ห ม, มากรุกหมากกระดานแข่งชกมวยแข่งชนไก่ชนแกบต ปากัดมีหมดเลยคืออะไรๆที่เรามีเนี่ยมีหมดแข่งรถก็ยังมีแข่งควายแข่งรถก็แข่งรถคือรถเข็นอย่างเงี้ยนะเขาก็อาจจะเป็นลักษณะของรถเทียมเกวียนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอุปนิสัยในการที่จะต้องแข่งขันกันเป็นอุปนิสัยของมนุษย์ปกติธรรมดาที่มีมาแต่โบราณกาลแล้วแม้กระทั่งครั้งพุทธกาลถูกไหมคะเออถ้าจะพูดก็คือว่านิสัยในการต่อสู้ดีกว่า นันคือต่อสู้อย่า ง, งแม้แต่พระสงฆ์ก็ตามก็ต้องมีนิสัยในการต่อสู้สู้กับกิรเลสอะไรพวกนี้ถ้าถ้าเราจะเอานิสัยในการต่อสู้นั้นไปสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้ก็ก็ๆๆทําได้เขาก็เลยผลิตกีฬาออกมาใช่ไหมผลิตมีสงครามออกมาอย่างเงี้ยเพราะว่านิสัยของความต่อสู้ขอ ง, ของมนุษย์มากกว่าก็เลยต้องให้เราไปต่อสู้ต่อนิสัยของความที่ต้องต่อสู้ของคน คือต้องไปผมกิเลสกับการดูคนต่อสู้กันใช่ก็คือใช่ใชที่ที่บทเพียรชนะของท่านพระอานน์บอกว่าเออเอาเอา่ามีฉันทะเพื่อละฉันทะนี่มีฉันทะเพ่อลฉันทะนี่เราจะดูกีฬายัางไงให้ได้ธรรมะคะท่านคะก็สําหรับคารว่าที่ดูกีฬาได้ถ้าจะดูเป็นธรรมะคือดูเพื่อความบันเทิงนี่คุณได้แน่ใช่ไหมทีนี้ว่าถ้าคุณจะเห็นความเป็นธรรมะอย่างไรกับอ่ากับสิ่งที่ดู ก็คือว่าเห็นความไม่เที่ยงนะทีมนี้แพ้ทีมนี้ชนะหรือว่าเห็นข้อธรรมคือความเพียรที่นักกีฬาแต่ลท่านแต่ละคนได้ตรีมตัวกันมากว่าจะเขาจะมาแข่งนี้ได้ไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บมาได้นะต้องฝึกกันเป็นปีๆ10บ ส, บสบปีกว่าจะมาเป็นนักกีฬาโอลิมปิกใช่ไหมความเพียรความพยายามตรงเนี้ยเราเอาแง่มุมเนี้ยมาเข้าฝึกกับเราทําให้ตัวเรามีความเพียรความพยายามได้อนี้จะดีมากเลยทีเดียว และถ้าในทางธรรมเราควรจะเพียรจะพยายามกับอะไรคะก็คือการที่จะให้เดินตามมรรคเพียรพยายามที่จะละเจ้าตัญหาเพียรพยายามที่จะเดินอยู่ในมรรคให้ได้แต่ถ้าเราเพียรละกุศลเพียรทำกุศลให้เกิดขึ้นอันนี้ถูกทางละมาถูกทางละก็ได้แง ไ, ได้มุมนะคะดูกีฬาโอลิมปิกแล้วก็ได้ว่าได้เห็นความเพียรกว่านักกีฬาเขาจะชนะกันนี่แล้วนักกีฬาเนี่ยท่าน บางทีก็ชนะกันเนี่ยแค่เสี้ยววินาทีจริงๆใช่ใช่เหมือนกับ<ม>วิ่งอะไรพวกนี้นะคะผมจุดจุดเป็นวินาทีลแล้วแล้วแต่ละคนเนี่ยลองไปถามนักกีฬานะคุณยมติวนะักกีฬาแต่ละคนที่จะประสบความสําเร็จได้เนี่ยน ะ, ะจิตขเขาต้องมีกําลังมากไม่ใช่แค่กายอย่างเดียวน ะ, ะ, ะสําหรับกีฬาต้องใช้กําลังทางกายนี่ก็ส่ดกีฬาที่ไม่ได้ต้องใช้กําลังทางกายเนี่ยหรือแม้ต้องใช้ก็แล้วแต่นะักกีฬาเหล่านั้นทุงคนเนี่ยทุกคนเลยเนี่ยจะต้องมีกําลังจิตมาก จิตจะต้องมีพลังจิตนี่จะต้องมีความจดจอ่อจิตจะต้องมีอความที่เป็นโฟกัสความที่เป็นจิตที่เป็นสมาธิวางไั้เถอะเพราะฉะนั้นออพอท่านพูดมาถึง<ม>จิตเป็นสมาธิดิฉันนึกขึ้นนึกถึงนักกอล์ฟอะไรพวกนี้ค่ะเห็นเขาเคยพูดกันนะคะใช่ว่าต้องฝึกสมาธิใช่จริงๆกีฬาทุก ป, ประเภทเลยละ่ะต้องฝึกสมาธิหมดทุกประเภทเลยอืสมาธิอย่างนี้ แบบเดียวกันกับที่ฝึกสมาธิเพื่อเพื่อเจริญในการปฏิบัติข้างต่างๆจนถึงชั้นวิมุติหลุดพ้นไหมคะอันนั้นเป็นสมาสมาธิทันทีที่พระเจ้าสอนเป็นสมาสมาธิทีนี้ส่วนที่เป็นสมาสมาธิเนี่ยมันจะน้มน้อมลุ่มลาดเ e อียงเทไปสุนิพานอยู่แล้วทีนี้ในกระบวนการที่น้มน้อมลุ่มลาดเ e อียงเทไปสุนิพานเนี่ยตรงกระบวนการตรงเนี้ยในช่วงที่ยังไปไม่ถึงเนี่ยคุณอาจจะเอาสมาธินี้ไปใช้อย่างอื่นได้เช่นนักเรียนเอาไปใช้ในเรียนหนังสือ นักบริหารก็ใช้ไปในการประชุมแก้ไขปัญหานักกีฬาก็ใช้ในการที่จะทําให้มีกําลังมากขึ้นในการที่จะแก้ไขปัญหาของเขาได้อย่างนี้นะขาประทานโทษนะที่ฉันขอถามอย่างนี้ได้ไหมคะว่าะถ้าอย่างนั้นบางคนอาจจะถามแยง้งในลักษณะที่ว่างั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเยอะๆโดยเฉพาะพระสงฆ์เก่งๆปฏิบัติเก่งๆ เ, ง เ, งเงนี่ยถ้าให้ท่านมาเล่นกีฬาท่านจะเล่นกว่าเก่งกว่านักกีฬาไหมคะเอ่อ เป็นไปได้ถ้าไม่ได้ใช้กําลังทางกายมากนะเพราะส่งบางทีอาจจะไม่ได้มีกําลังทางกายมากขนาดนั้นอ่าถ้าเป็นประเภทที่อ่าไม่ได้ต้องใช้กําลังทางกายมากแค่ใช้กําลังทางจิตเนี่ยกีฬานั้นอาจจะเป็นสามารถทําได้ดีคือคนที่มีกําลังจิตเนี่ยทำอะไรก็ได้ดีทั้งนั้นอ่ะค่ะก็จะมาสรุปตรงนี้แหละท่านบอกว่าคนที่มีกําลังจิตทําอะไรก็จะได้ดีกําลังจิตฝึกได้อย่างไรครัท่ามีสติสตินี่อาจจะเป็นตัวที่เป็นเหมือนกับขอบคันกั้นให้เราอยู่ในทาง นักกีฬาต้องมีวินัยมากนะสตินี่จะเป็นตัวกั้นขอบคันแล้วก็เป็นตัวที่พาเข้าไปสู่เส้นทางที่เขาต้องการได้ค่ะในการที่สอนอู่เ ป, นเป็นประจาในเรื่องของการทําอย่างไรจึงจะมีสติแต่ว่าเวลาหมดนะคะท่านค่ะใช่ก็คงต้องให้เหลือไว้ติดตามบ้างนะคะก็กราบขอบพระคุณสําหรับท่านอาจารย์ไพบุญพิปุญโนในวันนี้นะคะที่เมตตา ม, มาตอบคาถามเปิดทันที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะให้กับเราพุทธมรส ก, การกันะะทั้งค่ะเยี่ยาก ค่ะดิฉันจะหลุดปากคำว่าพุทธวัตรสวัสดีเป็นคำลาแต่ว่านิดหนึ่งก่อนนะคะถ้าจะถามคำถามท่านไพยบูลก็ส่งไปที่เพียวธรรมะ .com/106 หรือจะโทรตรงมาที่นี่เบอร์โทรศัพท์022690006เจ้าหน้าที่ก็จะรับไว้และเบอร์เดียวกันท่านจะขอหนังสือพุทธวัจนะที่จะไปศึกษาคำของพระาศาสดา ข, ของเราก็ได้ด้วยนะคะ ที่เบอร์2 0 2 2 6 9 0 0 0 6นี่แหละคะ่ะสำหรับวันนี้เราก็ฝากกันเอาไว้ว่าปฏิบัติชีวิตก็จะพบกับความสวัสดีนะคะนั่นคือการปฏิบัติตามพุทธวจนะพุทธวจนสวัสดีค่ะ